พวกเราท่านทั้งหลายก็ดีอยู่นะทุกครั้งก็มาแสดงทำก็แสดงเรื่องอะไรล่ะฮะอานาปานาสติได้เป็นเรือยังพระสโสดาบันถ้าไม่ได้เป็นจะแค่พระโสดาบันฮะเป็นพระสโสดาบัน หมดหรือยังอยู่เนี่ยถ้ายังไม่เป็นก็นเทียบกับโซดาบัลถ้ายังภาวนาไม่ได้ก็จะ่เสียดเรื่องอานาปานสติเห็นเราทำวัดเรื่องอานาปานสติเมื่อกี้ไหมเอาเอาอะไรก็ดีหมดเลยเนาะอะ <c oughs> อะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสตัสะรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงและกล่าวเห็นอาณาปานสติก็พูดไปก็พวกเราสวดไปไม่เข้าใจหรอกอัจฉระปัจฉริะอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมอัจฉริะก็คือหายใจเขา้า ปัจจัจก็หายได้ออกนะอันนี้จะพูดเรื่องพระโสโดาบันให้ฟังถ้าฟังห้าครั้งก็ปิดอบายภูมิได้ดีกว่าสมาธิสมาธินี่ก็ดีเหมือนกันอย่างพระเทวทัต ได้อภินยาห้ า, ญญานะี่ยใช่ไหมสมาบัตแปดสมาบัตแปกก็คือลูกชานสี่อลูกชานสี่เรียกว่าสมาบัตแปดยังไปตกอบยยบยภูมิอยู่แสดง ว, ว่าสมาที่ปิดอบบยภูมิได้ไหมฮะไม่ได้ เพราะว่าท่านยังไม่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันปิดอบายภูมได้พระโดสโดาบันก็พูดเยียวย อ, ยอเลยให้เข้าใจง่ายๆอย่พระโสดาบันแบ่งออกเป็นสามประเภท ประเทะภนะเ ท, ทนะอ า, าโซดาบันประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสัตตคตุปลมะสัตต์แปลว่าเจ็ดราโซดาบันประเภทนี้หากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อีกไม่เกินเจ็ดชาติก็เข้าสู่ระนิพาน ในภายภาคหน้าไม่ตกอบายคูพูอีกพัะโสดาบันนะนะมันดีอย่างนี้เงินร้อยล้านพันล้านก็ซื้อพัะโซดาบันไม่ได้ปิดอบายคูบได้อ่าประเภทที่สองเรียกว่าโกลังโกละโกลังโกละหั กลับมาท่องเที่ยวในมนุษย์หรือสวรรค์อีกสองชาติสามชาติก็เข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าเร็วเข้าอีกนะประเภทสุดท้ายก็เอกะพชเอกแปลว่าหนึ่งเอกแปลว่าหนึ่ง อืมพระโสดาบันประเภทนี้จะกลับมาเกิดชาติเดียวชาติสุดท้าย น, นี่นั่งเลยเนี่ยถ้าฟังเข้าใจรินำไปปฏิบัติได้มาเกิดชาติเดียวชาติสุดท้ายนี่ก็จะเข้าพระนิพพานในภพนี้เองอือยากเป็นไหมล่ะฮะอยากเป็นไหมตั้งใจฟังดีด การแสดงธรรมของลุงตาไม่ได้พูดคนเดียวนะต้องพูดกับพวกเราพวกเราก็ต้องสนทนาตอบมาเหมือนพระพค์อ่มาแสดงธรรมาจากเรืออนัตตะ์ละคณาสตรกับพระปัญจวัชรีทั้งห้าท่านไม่ได้พูดคนเดียวท่านถาม รูกเทียงหรือไม่เทียงใช่ไหมล่ะบัะรจะาว่าขีดตัวว่ายังไงเออน่ะน ะ, ะถ้าเราถามถ้าผู้องค์ถามกาตอบขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้พระเจ้าค่าใช่ไหมก็จะได้อธิบายให้ฟังพ้อาองค์มาถามสิงใดไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่านี่ยแน่ อันนี้ก็จะถามพวกเราเหมือนกันผู้ฟังก็ต้องจับใจความให้ได้แล้วก็ตั้งใจฟังไม่ให้หลับตาฟังไม่ให้ไม่ให้เอาสมาธิแต่ให้มีสมาธิในการฟังเขา้าใจไหมละ่ะสมาธิในการฟังมันถึงจะเข้าใจแต่ไม่ให้เข้าสมาธิฟังหลับตาฟัง อ่าอืมจิตของเราเลือดตาของเราก็สนใจพูดเทศอืมอ่าสนใจพูดเทศฟังให้เข้าใจน่าจะพูดประเภทที่หนึ่งสัตตุปัตตุปลมะสัตตะหลักสับเดิมก็ว่าสัตตะสัตสตะดปลว่าเจ็ดพระโสดาบันประเภทนี้ยังมาเกิด อีกเกจชาติอย่างมากเกจชาติก็เข้าสู่พันิชานพนพระโสดาบันองค์นี้ก็ต้องเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธามีสิิ้นสองอย่างเท่านั้นเองอ่าศรัทธาเรื่องใสในพระรัตนใจ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระลหันแต่สรู้ชอบด้วยพระองค์เองจริงๆนะเป็นผู้รู้แก่นซึ่งโลกเป็นผู้มีวิชาและจรณะจรณะสัมปันโน สุคโตโลกวิทูลูลแจ้งซึ่งโลกเป็นผู้จำแนกแจกทำออกสั่งสอนเวไนยสัตว์ทำที่พระองค์ตัดสู่เอามาจำแนกแกกสอนเวไนยสัตว์สัตว์ตที่พอว่านอนสอนได้เทีย่งว่าเวไนยสัตว์เวไนยสัตว์นะ ให้เข้าใจสอ น, นทมที่พระพุทธองค์ําแนกเจกออกมาสอนก่อนแยกออกมาจากก้อนส ก, นกลลกายของเรานี่แหละเนี่ยลูกทมนามธรรมคือธรรมชาติก้อนนี้เองนะคำสอนของพระเจ้าแยกออกเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันก็เฉียนออกจากก้อนธรรมชาติ ก่อนเดียวนี้เองก่อนสา ก, กลไก่กวางศอบยาววานาคือนี้องก่อนสอ า, า, นากลไม่มีนนเรียกของนะก่อนธรรมชาติก่อนนี้อืมแปดหมื่นสี่พันพิธมมะขันเยียบออกเป็นปรยปปปิยัติปฏิบัติปฏิเวทอืาปริยัติธรรมก็ได้แก่พระสูตรพระวินยัยพระปรมัดในแปดหมื่น ย่อลงมาปฏิบัติเหลืออยู่สามสามขัน ม, มันมากเกินไปเวลาปฏิบัติจริงๆมาปฏิบัติสามขันสามขันคือกายวาจาใจเท่านี้ไปทำคำําสอน 8เหมือนย่อลงมาเหลืออยู่ทีอันฮะสามย่อลงมาอยู่สองทีแรกกายกับใจรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจแต่กายกับใจมันมีวาจาอยู่จึงมาบวกเขา้ากายวาจาใจอ่าี่ กายวายจใจนี่เรียกว่าลูกทำนามทำนี้เรียกว่าขันห้าเนี่ยย่อลงมาเท่านี้มาสอนเขียนออกจากขั้นห้าทำทั้งหลายเขียนออกจากขั้นห้าเมื่อย่อลงมาปฏิบัติก็มาปฏิบัติลงที่ขั้นห้าขั้นห้านี่มันมีอ่ากายวายจใจเขาเรียกว่าขันห้า ถ้าขันห้าไม่มีวาจาก็ขันไม่บริบูรณ์ใช่ไหมขันเกิดขันใบใครอยากได้ละ่ะฮะอืมขันไม่บริบูรณ์ถ้าขันที่บริบูรณ์ก็ต้องมีกายวาจาใจด้วยนี่ย่อลงมาปฏิบัติเท่านี้ เมื่อบุคคลใดนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเนี่ยพวกนั้นก็ได้เป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาเท่านั้นเองง่ายไหมนี่เชื่อไหมล่ ะ, ะว่าพระองค์ตัดระลุชอบด้วยพระ อ, องค์เองตัดทะลด้วยอะไรอริยสัจสี รู้ด้วยพระองค์เองเห็นด้วยพระองค์เองแล้วจึงนำเอามาสอนพวกเราท่านทั้งหลา ย, ลยในยศนั้นแปดหมื่นสี่0ันพระธรรมขันธ์เคยเขียนออกจากก้อนสกลกายยังได้ั้ยล่ะทำไม่ได้เขียนออกจากเชือกกว้างสอกยาววาใครวา่าเรา นะคือเดี่ยวแนะ่เนี่ยคำคาสอนของโวยเจ้าเียนออกจากนี้เป็นปริยัติธรรมแยกออกเป็นพระสูตรพระวินยัย พ, ะ ร, พระละเอียดพระปรมัตถธรรมเนะี่เท่านี้เองเมื่อพูดได นำเอาทาไปปฏิบัติทาเมื่อเวลาปฏิบัติย่อลงมาเรีย อ, อยู่สามคือกายลูกทานาทำกายวาจาใจอที่สวดไปไม่กีนไงแปลไหมล่ะฮะสุปฏิปโนได้ไหม พคาโตสาวกสังโฆแปลว่าอะไรหืมแน่สวดไปทำไมสวดไม่จำเอาสงสาวกของพระเจ้ามูได้ปฏิบัติดีแล้วนั่นอะไรดีละะ่ะฮะฮะกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นสงสาวกของพระเจ้าเท่านั้นเอง ง่ายไหมฮะอ่านี่แหละพระสูตรสองหมื่นหนึ่งพันสูตรสูตรไหนก็สอนกายให้ดีสอนวาจาดีใจดีเท่านี้เองไม่ได้ไปสอนที่อื่นนะเขียนไปมากๆสองหมื่นหนึ่งพันสูตรสอนกายให้ดี สอนวาจาให้ดีสอนใจ di, ให้ดีเท่านี้เองพระวินัยก็เหมือนกันวินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจเพราะฉะนั้นพระสูตรกับพระวินัยจึงมีสองหมื่นหนึ่งพันเท่ากันใช่ไหมเท่ากันไหมล่ะเพราะอะไรเพราะสอนกาย วายาใจเท่านี้ศีลของกายศีลของวายาศีลของใจพ า, ส, า, จ ส, าจสูตรกับพระเวณไนเองเท่ากันเมื่อลงมาปฏิบัติก็ปฏิบัติที่กายปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติต้นไม้ภูเขาโลกาไม่ใช่เอาดอกไม้ไปรกาบต้นไม้ไปรกบาบเง่้อผาตูปูตานะั้น ปฏิบัติที่กายของเราท่นวายาของเราง่ายไหมล่ะท่านเนี่อ้าปฏิบัติกายดีท่นสงฆท้าวของพระเจ้ามูได้ปฏิบัติดีแล้วอะไรดีพะเจ้าข้ามีคนปัญญาอ่อนมีแม้คนปัญญาอ่อนอย่างนี้ฮะฮะอะไรดีโอท่านี่ปัญญาอ่อนจริงนะ กายดีอะไรเอกอะไรเอกเออกำลังจะเก่งแล้วทีนีน้นี่แหละอ่ะนี่เป็นผู้ปฏิบัติดีเท่านั้นเองกายดีคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพ์ประพฤติผิดในกาวาจาดีไม่พูดปดพูดสอเสียพูดคำหยาก พูดเพื่อเจริญแล้วไหลไร่สาระเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเคยได้อ่านนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหมโอ้ยพวกครูก็สอนพวกเรานะีน่ยนะนิทานเด็กเลี้ยงแก่พูดเพื่อเจริญแล้วไหลไล่สาระอืมใจ ด, ดีไม่โลภอยากได้ของเขาของคนอื่นไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่น เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องการทานองของธรรมเห็นว่าบาสมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แกงอ่านี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วอืมเราดีหรือยังอ่ะนั่งอยู่นี่ น, นะ ฮะดีไม่นั่งอยู่เนี่ยอ่าอ่าเมื่อวานนี้ไม่เลยเกี่ยวนะมันเป็นอดีตไปแล้วทิ้งเข้าป่าไปมาเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวนี้กายดีหรือยังวายจดีหรือยังใจดีหรือยัง อ๋อโทโทโทโทก็ได้เป็นสงสารปกครองพระเจ้าหรือได้เป็นพระโสดาบันขั้นต้นนี่แหละหากกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าได้เป็นหรือยังเป็นได้หรือยังอ่า ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะเอาทำคำสอนของพุทธเจ้าไปปฏิบัติให้ได้กายดีวาจาดีใจดีคุณทำสิบประการหรือท่านเรียกว่ากุศลกรรมบทญิตหรือศีลในอริยมรรคอริยกันแต่ศีลหรือกุศลกรรมบทญิตอันเดียวกัน เป็นศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายกุศลกรรมบทจิตกุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่ากรรมแปลว่าอะไรการกระทำบทแปลว่าทางทางกระทำของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นกระทําลงในศีลนี้ พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลศีลแดนนี้จึงถูกเรียกชื่อว่าศีลกุศลกรรมบทสิ์หรืออริยกันตะศีลศีลในอริยมรรตอ่าเาใจไหมหล่ะที่เนี่ยอ่าศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาไม่มานั่งอยู่นี้ เที่ยมใสในพระพุทธเจ้าว่าทำพระสง์ใช่ไหมเป็นผู้มีศีลศีลอะไรอะอ้านี่จำไม่ได้เหรอศีลอะไรถ้าจำไม่ได้จะไปปฏิบัติได้ยังไงนะศีลอะไรศีลอะไรเอาคนอื่นนั่นไหมนะ ศีลอะไรไม่ใช่มานั่งซื่อเฟื่อยเฉยนั่งง่ง่ศีลอะไรอ้ากุศลกรรมาบทสิ์หรืออริยะกันแต่ศีลศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายใช่ไหมล่ะจำได้หรื อ, อยังอ่านี่นี่เป็นผู้มีศรัทธา มีชี้นพวกเราก็อ่าขลัาวาดญาติโยมก็คล อ, องเยาคลองเรือนอยู่ก็ต้องรักษาชี้นห้าใช่ไหมล่ะชิ้นแปดก็ไม่ได้ได้ชี้นห้าชิ้นห้าช้นห้านี้ก็ต้องบวกอุศสกรรม บ, บทสิบเข้าไปจึงจะได้เป็น ถ้าอาริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันอ่าสินห้าบวกอะไรเอยอย่างนั้นแหมอืมปากมีอยู่ไม่พูดสิลนห้าผุศสนกร ม, มบทสิบเราก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นปิดอบายภูมิได้เป็นนิยโตบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขติสวรรค์นิทานเป็นที่หมาย หากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกินเจยดชาติก็เข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าเป็นผู้มีศรัทธาเดื่อมใสในพระพุทธเจ้าพรธรรมพระสง์เป็นผู้มีศีลแนีศรัทธาศีลแค่นี้ถ้าเราไปต่างประเทศเขาว่าพวกมหายานเขาว่าโว้ย พระโสดาบันมันเป็นง่ายขนาดนี้ไม่มีหรอกว่าเ ง, งินงต้องจิตสงบแล้วก็ได้อภิธรรมอันนั้นอันนี้ไม่มีไม่ใช่ถ้าไม่เชื่อก็ไปกดโทรศัพท์พวกท่านดูเรื่องพระโสดาบันน ะ, ะคุณสมบัติของพระโสดาบันมันจะโทรศัพท์จะบอกขึ้นมาเลยใช่ไหม ทุกวันนี้มันตรวจดูง่ายอืมนี่แหละเป็นผู้มีศรัทธามีศีลแต่นั้นเราไปต่างประเทศเขาว่าคำสอนของวุยาอดมีมากมายเกินไปจำไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกจึงกลับไปรักษาศาสนาคิดถือศา ส, ะสะนาคิดดีกว่าอิสลามดีกว่าเพราะไม่มีขั้นตอนอะไรมากมาย ที่นี่มากมายไหมล่ะแปดหมื่นย่อลงมาหรือวะโอ้ยเงามากเท่านี้เองนี่พัสดบันประเภทที่หนึ่งคงเป็นได้หมดทุกคนทุกท่านแล้วอยู่นี่อนุโมทนาสาธุโอ้ถ้าใครยังไม่เป็นก็เป็นเอาคุณทำสิบประการเข้าไปสักกิจที่จิต ท, ที่ใจของเรา ก็เรียกว่าบรรลุบรรลุแปลว่ารู้เท่าเข้าถึงคุณทำสิบประการเข้าไปสกิตอยู่ที่จิตที่ใจของเรานั่นเองก็เรียกว่าบรรลุบรรลุรู้เท่าเข้าถึงทำสิบประการก็ได้เป็นพระโสดาบันง่ายไหมฮะอ้าวตอบอะไรก็เป็นประเภทที่สองประเภทที่สองนี้ ยิ่งง่ายเข้าไปกว่านี้อีก น, นะแต่ท่านเรียกว่าประเภทที่สองก็ต้องเป็นผู้มีศรัทธามีสีแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นธรรมน ะ, ะเห็นอะไรเห็นธรรม อืมอ่าทำทั้งหลายก็คือกายกับใจง่ายไหมกายกับใจนี่คือลูกทำนามทำใช่ไหมอืมสวนไปเรามีความแก่เป็นเน่ง่ายไหมล่ะทีนี้ ฮะเรามีความเกลีดใครเรามีความใจนี่แหละเห็นธรรมดาเห็นหรือยังฮะเห็นหรือยังง่ายไหมฮะเอ้าจริงๆนะทำไมถึงเจ๊โอ้ยพบเกิดนั <laughs> <laughs> ่นอ่า ก็พอมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ต้องเป็นชาโลกอยู่ใช่ไหมเที่ยงไหมเที่ยงเลอยายยายทั้งหลายเขาเรียกยายนะหลานนะอ้อเที่ยงไหมหละ่ะนี่แหละเห็นความไม่เที่ยงนี่เองอันนี้จังคือไม่เที่ยงนั่นเองใช่ไหมเที่ยงไหมหล่ะเราเนี่ยฮะอ่า มีความแก่เป็นธรรมดาเพราะมันไม่เที่ยงมันถึงแก่ถ้ามันเที่ยงมันจะแก่ไหมอ่าเรามีความเก็บไข่เป็นธรรมดาทำไมถึงเก็บไข่อ้อก็เพราะมันเป็นอันหนึ่งอย่างนั่นเองอทำไมคนถึงตายนะก็ธรรมดาก็าธรรมดานั่นเอง อ่าใช่ไหไม่ใครมีใครอยู่ค้ำฟ้าได้ค้ำโลกได้เกิดมาแล้วก็ ต, ต้องตายเป็นธรรมดาธรรมดาหรือธรรมชาติก็อันเดียวกันก็มีดวงตาเห็นอานิจังทุกขั้งมันเปลี่ยนแปลงอยู่นี่เปลี่ยนไปจากทารกเป็นเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นหนุ่มสาว เดี๋ยวนี้วัยชราใช่ไหมอันนียอันนี้จังทุกขังทุกขังคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดหัวผมเรางองอกไปย้อมวันนี้พรุ่งนี้เป็นไงลากมันอ่ะฮะสีขาวไหมนั่นแหละมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันตลอดคืน เล็บมือของเราก็เหมือนกันตั้นแล้วพรุ่งนี้ก็ยาวขึ้นมาอีกนี่มันมั น, มนแปรปวนเปลี่ยนเปล่แปลงอยู่เรียกว่าปรินามะธรรมังแปงรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันแก่โดยปกปิดเรียกว่าอปติชนะอแก่ปกปิดเราเลยไม่ตกใจว่าเราแก่ใช่ไหม แก้วเมื่อวานนึงหรือยังไงนะฮะตอไปก็อัปติชนะแกแบกเปิดเผยใช่ไหมหัวก็สีงองงอหน้าตาก็เหี่ยวย่นหลังก็ค่อมก็งอตาก็ฝ้าก็ฟางหูก้นหัวก็ตึงใช่ไหมเปิดเผยหรือยังอย่างนี้นี่แกแบบเปิดเผยอัปติชนะตอนก็ แบแบปกปิดเรียกว่าปฏิชนะเราไม่รู้สึกตัวพอมารู้สึกตัวก็สายเสียแล้วใช่ไหมอ้าให้รีบพากันบำเพ็ญภาวนาให้มันได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนี่ดวงตาเห็นธรรมเห็นหร้ อ, อยังออ่าธรรมธรรมนี่มันกว้างนะ ทำทั้งหลายคือกายกับใจกายกับใจก็คือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็สมมุติชื่อว่าขันห้าใช่ไหมขันห้านี่ก็สมมุติเรียกว่าเราใช่ไหมเรามีความแจกเป็นธรรมดาอ่าเห็นแล้วเห็นเลยยังดวงใจเห็นธรรมหรือยังเอาธรรมมันมีกว้างนะ สมัยพระพุองค์ไปสแสดงปฐมเทศนากับปัญจวชัชีพระอาญากนทรรัมยะาดวงตาเห็นธรรมแสดงธรรมมจาับกับปวัตนสูตรใช่ไหมอ่าไม่ีอ่าองค์เดียวที่ได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วเกิด ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมส่วนสีองค์นั้นงงอยู่ยังไม่เห็นธรรมอืมธรรมมจากักธรรมะแปลว่าอะไรอะธรรมะคืออะไรแหมไม่รู้จักธรรมะเหรอ นี่เนี่ยธรรมะก็คือกายกับใจนี่เองลูกทำน้ำทำนั่งอยู่เนี่ยรู้จักธรรมะหรือยังรู้จักว่าเจ้าของเป็นธรรมะคือธรรมะชาตินี่เองเข้าใจ ไ, ไหมล่ะมันตกอยู่ในอานิจจังไหมทุกขังอนัตตาไหมนี่โงนใจเห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมองค์อ่ะ ทำก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่งอยู่นี่ทุกคนเนี่ยใช่ไหมตั้งชื่อว่ารูปธรรมนามธรรมเขาว่ารูปธรรมนามธรรมตกอยู่ในอะไรตกอยู่ในธรรมคืออ น, นิจจังธรรมไม่ใช่ใช่ไหล่ะทุกครั้งอนัตตาก็เห็นธรรมในธรรมเนี่ ธรรมชาติคือกายกับใจตกอยู่ในกฏใจรักญาณอนิจจังทุกครั้งอนัตตาใช่ไหมอืมนี่แสดงธรรมะจากกับปัวัานาสูตรธรรมะก็คือนั่งอยู่นี่เข้าใจไหมหรือรู้จักธรรมะไหมทีนี้อ่า ก็บอกว่าดวงใจเห็นธรรมก็เห็นว่าความแก่ความเจ็บควา ม, วามตายใช่ไหมล่ะนี่ทำทำไมธาตุมันแก่มันเจ็บมั น, ม น, มนตายก็ดวงใจเห็นธรรมเห็นลึกเข้าไปกว่านี้อีกรูปธรรมนามธรรมมันอาศัยกันเกิดตาหูจมูก ลิ้นกายใจเรียกว่ารูปภายในใช่ไหมใช่ไหมเรียกว่ากายกายในใช่ไหมเขาเจอไหมล่ะทางนั้นน่ะนั่งอยู่ใกลไยมันได้ยินว่าล่ะเขาเจอไหมล่ะหูเป็นกายหรือเป็นอะไรรูปธรรมหรืออะไรหูอะฮะตาหูจมูกลิ้น ก็คือลูกธรรมหรือเรียกว่าคือกายในใช่ไหมคือธรรมชาติภายในเรียกว่าลูกธรรมใช่ไหมละ่ะมันไปกระทบกับธรรมชาติภายนอกอะไรละ่ะตาไปกระทบกับอะไรลูกเสียงกลิ่นรสผดทพะธรามลมกระทบกันลูกภายนอกกับลูกภายในใช่ไหมกระทบกัน นี่วิญญาณหูวิญญาณตาจมูกลิ้นกายใจทรงขอเรียกว่าปิ๊กหรือเรียกว่านามใช่ไหมล่ะไม่มีตัวตนมีแต่ชื่อนามธรรมอืมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าลูกธรรมเข้าใจไหมอ่าวิญญาณทั้งหก เรียกว่านามธรรมรูป ก, กับนามพอมันเห็นแล้วมันก็เป็นบวกจิตใช่ไหมล่ะอิตน้อมออกรับอารมณ์น้อมออกรับอารมณ์มารู้ให้เฉยเฉยไม่เป็นไรแต่ว่ามันสเสวยอารมณ์อิตเสวยอารมณ์เรียกว่าเวทนาแน่ใช่ไหมล่ะ จิตจําอารมณ์นั้นได้ว่าลูกนั้นเสียงนี้ได้ก็เรียกว่าสัญญาออารมณ์สัญญาไปประกอบจิตจิตนึกคิดพรุงแต่งว่าสวยว่างามว่าดีว่าชั่วว่าเน่าว่าเหม็นว่าอะไรเรียกว่าอะไรสังขารจิตวิญญาณรู้ให้เรียกว่าขันห้าเกิดใช่ไหมดับไหมทีนี้ดับไหม แม่เงียบเลยเกิดแล้วดับไหมตายเห็นรูปดับไหมหูได้ยินเสียงดับไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่ขันห้าใช่ไหมล่ะเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดธรรมะได้ว่าสิ่ง สิ่งใดก็ตามสิ่งที่ตาย้ยินรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ลินหรือเรียกว่าคันห้าธรรมะนี่คือธรรมชาติแปลว่าสิ่งสิ่งใดก็ตามไม่ีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วดับไหมดับไปเป็นธรรมดาอายาโกนทันย จ, จับทางได้แค่นี้ได้เป็นพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมดา เห็นสัจจะทำสัจจะแปลว่าอะไรความจริงความจริงคือเกิดแล้วดับเกิดไม่ดับมีไห ม, ไมนี่แหละอริยสัจจริงสัจจะคือความจริงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับนี่นี่แหละเห็นธรรมหรื อ, อยังละเอียดลงไปไหมไม่ได้เห็น แก่ธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาไ่้ไหมเห็นตายเป็นธรรมดาที่นี่มาเห็นขันห้าเกิดตายเขาใจไหมหรือจากขันห้าหรือยางมันเกิดวันหนึ่งมันเกิดกี่ภพอะแม่ไม่รู้หรอเจ้ า, จาของเกิดเจ้าของตายพวกเนี้ใช่ไหมตายกี่ภพแล้ว ตื่เช้าไหมาเนี่ยได้เห็นรูปกี่ครั้งฮะหูได้ยินเสียงกี่ครั้งนี่แหละขันห้ามันเกิดกับดับควอมกันเสมอนะพิสูจน์พระองค์จัดว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดกับดับควอมกันเสมอใช่ไหมเกิดแล้วดับไหมอ่าเธออย่าไปตืน่นมันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลนเ่ยลูกกำนามทํางาน ร่วมกันเฉยๆกายกับใจใช่ไหมล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สมค์เรียกว่ากายใหมมันไปทํางานร่วมกับใจกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วดับมีสัตว์มีคนไหมอยู่ใน น, ออนี่เออนนี้แหละเราก็ไปหลงว่ามีสัตว์มีคนอยู่ในนี่จึงหลงว่าเราเห็นใช่ไหมละ่ะ อ, อ๋านี่ชันห้ามันทํางานเกิด พบแล้วพบแล้วธรรมะใช่ไหมเนี่ยห ร, รรหรืออยากทำไมมหรือยังกายกับใจมันทำงานหมุนกันเป็นกงจักใครได้ไหนึกออกหรื อ, อยังมันหมนุนใจลูกก็ดับหูได้ยินเสียงความคิดเกิดขึ้น จ ม, มูกได้กปลนซ้อนขึ้นมาริ้นได้ลดซ้อนขึ้นมาตาไม่เห็นรูปอีกหมุนเป็นกงจักไหมนี่แหละทำไม่จักเข้าใจไหมล่ะหรือจะทำไม่จักหรื อ, อยังฮะแปลว่าอะไรอ้าววัดเกิสงสารก็เรียกคันห้ามันเกิดเข้าใจไหม ่าหันหลังฟังก็มีเข้าใจไหมหมุนอยู่นี่หมุนไหมพบแล้วพบเล่าหมุนเป็นองจากอยูอนี้พระ อ, องค์จึงตั้งชื่อว่าธรรมะจกักใช่ไหมหมุนเป็นกับเป็นการอย่าง น, นี้ธรรมจกักกับปะวัตถนสูตร สูตรที่ท่านไปสแสดงพระพุทธเจ้าล้านล้า น, านพระองค์อุบัติขึ้นก็ามาตัาสั้นอริยาสัตตสีนี่เองแล้วก็มาสแสดงทำมาจากทุกองค์ทำมาจากก็คือขันห้าขันห้ า, ห, าหมุนเป็นกงจักรหมุนเป็นวัฏฏสงสารเกิดดับเกิดดับพบแล้วพบเล่าใช่ไหม อ่าเข้าใจทำมาจากหรือยังหมุนไหมล่ะเนี่ยฮะหมุนไหมทำของใครไม่หมุนมีไหมเนี่ยฮะมีไหมไม่หมุนอ่ะเข้าใจทำมาจากหรื อ, อยังธรมมมมมมมมรออมะลูกธรรมนามธรรมมันหมุนเป็นกองจากอยู่นี้เป็นวัดจากท่องสารอยู่นี้เมื่อผูดด้ใดมาดับวัดจากท่องสารได้ก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นเอง อ่าใช่ไหมล่ะง่ายไหมนี่ดวงตาเห็นธรรมเห็นหรือยังนี่ได้เป็นพระโสดาบันองค์แรกของโลกพระอาญากนธัญญาที่นี่พวกเราอ่านแล้วไม่เข้าใจลวงตาก็เลยมาแจกให้ฟังอธิบายฟังเข้าใจหรือยัง หรือจะทำมาจากหรื อ, อยังธรรมะคืออะไรกายกับใจมันทำงานร่วมกันหมุนอยู่เป็นวัฏจากรสานอยู่อย่างนี้จบเป็นไหมเมืออ่อมีคนไปถามทูลถามพรยพุเจพระพุทธเจ้าค่ะพระนิพพานคืออะไรพระนิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าดับสนิท ดับอะไรก็ยอมค่ะดับวัตถะสงสารความเมียนไหวไใ้เกิดดับสนิทลงผู้ใดดับวัตถะสงสารได้ก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นเองง่ายไหมละ่ะพระนิพพานใกล้แล้วนั้นเนี่ยพบสุดท้ายนั้นเนี่ยอใช่ไหมละ่ะอนี่อันนี้ใครยังไม่เห็นธรรมมีไหม มีไหมท่านทั้งหลายคือตายกับใจมันหมุนอยู่เป็นวัฏจัสรสานอยู่เย็นว่ายใจเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วใจพบแล้วพบเหลาอยู่ใช่ไหมล่ะเนี่ยทำไมาจา่จัดรูปทำนามทำหมุนเป็นวงจักรอย่นีเรียกว่ารูปทำนามทำอิงอาศัยกันเกิด เกิดแล้วดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่แหละทุกข์ในอริยสัจสี่พระองค์ตัดสรู้้ที่นี่อย่างไรจึงเอาธรรมาจักมาสอนทุกข์่ยอันห่้ามันเกิดมันดับ สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอเพราะกันโอ้โหนี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงมันเกิดมันดับอยู่นี่เป็นสัจจะคือความจริงอย่างนี้ขันหาใช่ไหมอ๋อนี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงไม่ได้ไปดูที่อื่นเมื่อพระพุทธองค์ตัดทะลเป็นใหม่ก็คิดว่าคนจะมองไม่เห็น โอ้ทุกนี่มันละเอียดจริงๆไม่ใช่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์ใช่ไหมฮะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ไม่ใช่ขันห้ามันทา ง, งานไม่ได้อยู่เลยวันหนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมเกิดใจเกิดใจอย่างนี้เห็นทุกข์หรือยังนี่แหละทุกข์ในอริยสัจสี่ไม่ได้อยู่ที่ไหน นี่แหละทุกก็ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมไมค่คาิเห็นรูปทัรนามธรรมเกิดแล้วดับนาอายากนทัญญาดวงตาเห็นธรรมเราเห็นเลยยังเห็นเลยยังอนุโมทนาสาธุดังๆให้เทวดาได้ยินหน่อย โอ้ยนี่แหละดวงตาเห็นธรรมแหมไม่คิดว่าจะเห็นธรรมเลยวันนี้ฮะเห็นง่ายมากเลยดวงตาเห็นธรรมอ่า อ, อันนี่ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองมีดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วใช่ไหมสาธุอีกดั ง, ดงหน่อยเทวดาด้ได้ยนิน เดี๋ยวนี้มีเทวดามาฟังอยู่นะเทวดามันจะบรรลุด้วยดงงายเป็นธรรมเหมือนกับพวกเรานะ <c oughs> ต่อไปก็ พูดพระโซดาบันประเภทที่สามอกับี C เมื่อกี้เนี่ยมาเกิดสองชาติสามชาติก็จะไปพันิุ์พนย่นย่อเข้ามาอีกทีนี้มาเกิดชาติเดียวชาติสุดท้ายง่ายมาก <c oughs> จะไปพันิุพานในชาตินี้เลยนะ อ่าเมื่อดวงตาเห็นธรรมเราง่ายมากไม่รูปคำในห่งทางต่อไปเลยอ่าจึงอวยพรให้พวกโยมของให้ท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมไม่รูปคำในห่งทางอาเห็นธรรมชาติมันเกิดมันดับนี่เป็นอนิ จ, จังทุกครั้งอนัตตาหรือเห็นทุกในอริยสัจสี สมุทัยก็เรามายึดมั่นถือมั่นในคั้นห้าว่าเป็นเราเองไม่ไม่ไม่อยู่ไกลนะทีนี่องค์นี่ง่ายมากไปทีนี้เอารวมนี้พระโสดาบันประเภทนี้ก็ต้องมาจากศรัทธาศีลดวงตาเห็นธรรมแล้วนะได้แล้วสองอย่างใช่ไหมเอกับพีแล้วก็ มาเป็นผู้ละกิเลสได้สามอย่างสังโยชน์สามสังโยชน์มีอยู่สิบอย่างจั ก, กายะทิฏฐิวิกิปิชาศีลพัทปรามานี่พระโ ส, สดาบันละสังโยชน์ดได้สามอย่างอ่ากามะ ลาคะพยาบาทห้าอย่างห้าอย่างนี้เป็นโอลัมพาชิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องจาตั้งแต่พระอนาคามีลงมาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องจาไม่อิดห้าอย่างข้างบนเป็นสังโยชน์เบื้องบนเรียกว่าอุดธรมพาติสังโยชน์เคยได้ยินไหมล่ะสังโยชน์เบื้องบนรูปรลาค่ะอะรูปรลาคะ รูปเวลาฆ่าเอาคือรูปฌานนั่นเองลาฆ่าแปลว่ายินดีพอใจมาติดอยู่ในรูปฌานถ้ารูปฌานตัวมานะอุดทัจะอาวิชชาห้าอย่างข้างบนเรียกว่าอุดธรรมชยยสังโยช์สังโยช์เบื้องบนเป็นสังโยช์ของพลหันวันนี้จะพูด สังโยชน์สามสังโยชน์ของพระโสดาบันสังโยชน์ภาษาบาลีเรียกว่าสังโยชน์ภาษาไทยเรียกว่ากิเลสสังโยชน์กับกิเลสอันเดียวกันไหมอ๋อกำลังรู้จักสังโยชน์แล้วสังโยชน์คือกิเลส อ, อเป็นเหตุให้ดึงรัดมัดสัด ให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดให้เรามาเวียนไหวใจเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดสังโยชน์เนี่ยมีสิบพระโสดาบันละได้สามคือสักกายะคิดทีจำได้เรือยังนะส ก, กายะคิดทีวิจิจิชาศีลพัตปลมาสามอย่าง สักกายะนี่ต่อไปไหมสักกายะเออวิกิศีลพัฒอ่าสามอย่างเป็นสังโยชนย อ, อันเดียวกันถ้าละสักกายะทิฏฐิได้แล้ววิกิจิตฉาศีลพัฒประมาทก็ดับไปพร้อมกันเลยง่ายมากสักกายะทิฏฐิ หรือบางทีพระองค์เรียกว่าอัตตานุคิดขิอัตตาแปลว่าตัวตนนุแปลว่าแปลอะไรพวกเรียนมหาไม่มีหรื อ, อย่างไงี้ยอ่าหนุแปลว่าน้อยแปลว่าตามไปแปลได้สองอย่าง นุแปลว่าน้อยอนุภรยาใครมีอนุภรรยาฮะหรือใครมีอนุสามีสามีน้อยฮนุแปลว่าพูดเลื่องเฉยๆนะเออนุแปลว่าน้อยแปล ว, ว่าตามไปแปลได้สองอย่าง อ, าอ่าอัจจานุทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าเห็นตามเห็นว่า ก่อนสกลกายนี้เป็นตนหรือตามเห็นว่าขันห้าก้อนสกลกายนี้คือลูกมำนารคมคือขันห้าใช่ไหมตามเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีในขันห้าคิดถี่สี่อย่างเห็นขันห้าเป็น ตนเห็นตนเป็นเห็นขันห้ามีอยู่ในเห็นตนมีในขันห้านี่ทิดทียี่สิบอย่างขันมีห้าขันอ่าสี่ห้าก็ยี่สิบคิดทียี่สิบอย่างนี่เรียกว่าคิดทีวิปริกวิปลา ด, ลาดพรา้เคลื่อนจากความเป็นจริงไม่ใช่ความจริง เป็นวิปปลิตวิปปัสเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเรียกว่าอาวิชาอันเดียวกันอวิชาแปลว่าอ่าไม่รู้รู้ไม่จริงคือความหลงความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิอันเดียวกันใช่ไหมอืมเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เห็นผิดอยู่ ก้อนสากลกายก้อนนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกอย่างมาประชุมกันมาก่อตัวกันเขา้าก่อนสากลสากลมีเจ้าของไหมฮะของทั่วไป ตะกลนสากลดิมนมีเจ้าของไหมอ่าถ้าดิมนมีเจ้าของคนไปผุดช่วมที่ใส่มันจะพอใหญ่ไหมมันต้องร้องบอกยุดยยุดใช่ไหมล่ ะ, ะน้ำก็เหมือนกันถ้าน้ำน้ำเขาเอาไปร้างอะไรมันเคยขัดขวางไหม อ่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นอนัตตาใช่ไละ่ะลมไฟเป็นอนัตตาเนี่ยอากาศเนี่ยมีเจ้าของไหมเนะี่ยอ่าถ้ามันมีเจ้าของเราหายใจเข้ามันไม่พอใจมันต้องบอกไม่ให้เข้าไปใช่ไหมละ่ะดันั้นมันเป็นอนัตตา ดินเป็นอนัตตาหรือเป็นอตตาน้ำลมไฟเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของใช่ไหมล่ะธาตุดินอยู่นี่มีเจ้าของไหมเออเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศมาประชุมกันวิญญาณมาชุมกันเขาเรียกว่าก้อนสกุลกายใช่ไหม มีเจ้าของไหมสากลนมีเจ้าของไหมอ่าไม่มีเจ้าของนะนี่เราต้องทำความเข้าใจอันนี้ซะก่อนก้อนธรรมชาติก้อนนี้ไม่มีชื่อจะเรียกก็เรียกว่าธรรมชาติก็สมมุติว่าเป็นธรรมชาติแต่ทุกก้อนก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดใช่ไหมธรรมชาติธรรมชาติมาหนี่หน่อยจะไปใครล่ะใช่ไหม ต้องมาตั้งชื่อให้อ่าเอามาตั้งชื่อให้ว่าลูกกับนามตั้งให้ลูกกับนามลูกกับนามจริงๆมีไหมอ่าเป็นชื่อของธรรมชาติว่าลูกกับนามลูปปกก็คือกายนามก็คือใจใกายกับใจมีจริงไหมอ่านี่ ธรรมชาติก well ้อนนี้ก็มาตั้งชื่อว่ากายกับใจกายกับใจมาสมมุติเรียกชื่อว่าขันห้าขันห้าจริงจริงมีไหมใช่ไหมล่ะฮะไม่มีอะไรนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ขันห้าเลยเนี่ยฮะใช่ไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยฮะ พันห้าก็เป็นคือของธรรมชาติเหมือนต้นเสา น, เเนี่ยแหละเห็นไหมต้นเสาอะไรมาประกอบเป็นเขา้าเป็นต้นเสานี่ยฮะเขาอะไรมารอกันเข้าเนี่ยึเขาก็เอาดินน้ำเหมือนกันหนึ่งอะปูนนี่แหละคือดินนี่ใช่ไหมละ่ะ มาปูนเอาหินเอาทรายเอาน้ําผสมกันเข่าหล่อขึ้นรูปร่างลักษณะสั ญ, ญลักษณ์แบบนี้รูปร่างลักษณะอย่างนี้สั ญ, ญลักษณ์อย่างนี้ให้สมมุติว่าต้นเสาใช่ไหมต้นเสาจริงๆมีไหมฮะอ่าเข้ายายไ้มล่ะที่นี่ รูปร่างลักษณะอย่างนี้ให้ตั้งชื่อว่าขันห้าขันห้านีไหมฮะเข้าใจห้ือย่างฮะอันนี้ต้นเสาจริงๆมีไหมเชื่อมันมีอยู่เป็นเชื่อของธรรมชาติเขาเรียกว่าต้นเสาถ้าอันนี้เขาเรียกว่าคน คนจริงๆมีไหมอ่าเขาเรียกว่าขันห้าขันห้ามีไหมฮะนะ่ไม่อยากพูดเล้วนั่นที่ไหนไม่เข้าใจใช่ไหมก็ลูกทํานามทาเขาตั้งชื่อสมมติว่าขันห้าธรรมชาติอันนี้ก้อนเนี่ยดินน้มลงไฟมาประกอบเป็นเหมือนต้นเสาี่ ขันห้าก็เป็นชื่อของธรรมชาติอันนี้ใช่ไหมชื่อธรรมชาติชื่อของดินน้ำลมไฟมาประกอบกันนี่ขันห้าจริงๆมีไหมมีไหมเออไม่มีไงต่อมาเขาก็มาตั้งขันห้านี่ว่าตั้งสมมติทับลงไปหยุเรียกว่าอัตราตัวตนอัตราตัวตนมีจริงไหม ตั้งสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีจริงไหมอ่ากำลังจะเก่งแล้วฮะกําลังจะหายโง่แล้วฮะพวกโง่ทั้งหลายโง่คนหลงคือคนโง่น่ยใช่ไหมล่ะหลงว่าเป็นเราใช่ไหมเป็นเราไหมล่ะเนี่ยฮะขันห้ามีจริงไหมขันห้าเป็นเราไหม เราเป็นขันห้าไหมขันห้ามีอยู่ในเราไหมเรามีในขันห้าไหมเราก็สมมุติขันห้าก็อ่าสมมุติทับสมมุติเฉยๆขันห้าไม่มีอยู่ในเราใช่ไหมแล้วก็ดับอัตตาตัวตนลงได้ละอุปทานใช่ไหมล่ะแต่ก่อนเรามายึดมั่นถือมั่นว่าขันห้า เป็นเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขั้นห้าเป็นเราไหมโอ้เจ๋งมากดับอุปทานได้แล้วเราเป็นขั้นห้าไหมขั้นห้ามีอยู่ในเราไหม เ, เรามีในขั้นห้าไหม เ, เราก็ละสักกายทิฏฐิได้เท่านั้นเองละความเห็นผิดมิชชาทิฐิ ดับลงได้หรื อ, อยังมิชชาทิคิมิชชาแปลว่าผิดความเห็นผิดทิคิแปลว่าความเห็นมิชชาทิคิดับลงได้หรื อ, อยังดับหรื อ, อยังฮะดับได้หรื อ, อยังใครยังดับไม่ได้เน่ไม่พูดอีกอ่ะขันห้าจริงๆมีไหม เออทำไมชาติก่อนนี้เขามาสมมุติว่ากายกับใจลูกกับนามสมมุติว่าหันห่างใช่ไหมแล้วก็มาสมมุติว่าสัดบุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมสัดบุคคลตัวตนเราเขามีจริงไหมโอ้รู้จักสมมุติแล้วหายโง่แล้วมายึดเอาสมมุติจริงจริงยงจังถ้าเขาว่าเป็นหมาก็โกรธฮะ ไม่โกรธแหมจริงจรงหรือเหรอเรออหายง่แล้วใช่ไงคนโกรธก็คือคนง่นั่นเองใช่ไหมล่ะอือคนโมโหคือผีบ้าเนี่ยพระองค์จัดเอาไว้คนโกรธคือคนโง้องตาไปอ่านไปพบจังแต่ยังไม่มาบวชคนโมโหคือคนบ้าอีทำไมพระองค์เชืว่าอย่างนี้ พอมาศึกษาเรื่องพระโสดาบันจึงเข้าใจว่าโอ้ยคนโกรธมันก็โกรหลว่าเรามีใช่ไหมล่ะเรามีไหมอ่าถ้าเราไม่มีคนอื่นมีไหมเขาก็ไม่มีนี่โอปนายโกรน้อมเข้ามาถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีใช่ไหมอ่าคันห้าแตกดับมีคนตายไหมนะมีคนตายไหม มีเราอยู่ในนั่นไหมเราตายไหมฮะไม่ตายขันห้ามมันจบยุ่ในกดใจลัคน์ยานก็บอกแล้วมันอันนี้จังใช่ไหมล่ะมันเที่ยงไหมละ่ะมีความแก่เป็นธรรมดามีความใจเป็นธรรมดาใช่ไหมเอ้มีคนใจไหมล่ะทีนี้แม่กำลังกำลังแล้วกำลังจะเข้าใจแล้วอ่านี่แหละ พัสดาบันประเภทนี้จริงจะไตชาติสุดท้ายเมื่อตายเห็นรูปใครเป็นคนเห็นรูปคิดไม่เห็นนั่งซื้อเบืออยู่เฉยเฮ้ตายเห็นรูปหม่หได้ยินเสียงใครได้ยินเสียง อืมเอาตอบไปอะไรอ่ากายหูคือกายใช่ไหมกายวิญญาณหูคือกายกับใจใช่ไหมทำงานร่วมกันทำงานหูได้ยินแล้วก็ไปบอกใจใช่ไหมละ่ะใจก็ จะเวย้ยอารมณ์ว่าเสียงดีเสียงเขายกย่องฉันเลยเสือกก็ดีใจขึ้นมาคนโง่ใช่ไหมละ่ะอ่าแนหละถ้าเสียงเขาด่าเขานินทาโกรธขึ้นมาใช่ไหมละ่ะกายกับใจทํา ง, งานมีคนไหมละ่ะมีคนโกรธไหมนั่นแหละเขายังโง่แล้วเดี๋ยไปโกรธเขาใช่ไหมละ่ะแงโง่ไหมอ่าเราไม่มีเขาไม่มีเสียงก็ไม่มี หูก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลใช่ไหมหรือมีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่อยู่นี่อ่าเนี่ยสัมมาทิฏฐิกายสัต์แต่ว่ากายไม่ใช่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่กายฮะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่สัมมาทิฏฐิใจก็สัต์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายกับใจคือขันห้าขันห้า มี่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไหมอยู่ในขั้นห้าโออเก่งมากอ่าเก่งมากเวลาตาเห็นรูปก็เรียกว่า ก, า, กายตาคือกายใช่ไหมกับใจรูปกับงามอิงอาศัยกันเกิดมีคนเห็นไหมโอ้ยกายกับใจมันทำงานกำลังเจ็ดเก่งแล้ว ถ้าใครหลงว่าอุปทานว่ายึดมัน่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นเราก็สำคัญตนว่าเราเห็นใช่ไหมใช่ไหมถ้าเอาเราเข้าไปบวกอวิชาหลงว่าเรามีใช่ไหมล่ะเรามีไหมล่ ะ, ะเราไม่มีได้เห็นรูปใช่เราเห็นไหม โอ้ยมันก็ดับความโกรธได้ความโลภได้เท่านั้นเองใช่ไหมละ่ะเพราะดับความหลงได้เมื่อดับความโลภความโกรธความหลงได้เขาก็เรียกว่าพออาระอรหันต์ง่ายไหมละ่ะออจะไปใช่นี่ได้ไหมล่ะอ่อ่าเนี่ยมันง่ายเง า, ยางี่น ะ, ะไม่ไม่อยู่ที่ไหน ดับความหลงได้หลงว่าเรามีอยู่ในขันห้าท่งนี้หลงว่าเราเป็นขันห้านี่แหละอุปทานขันห้าคืออะไรฮะเขาตั้งสมมติว่ากายกับใจใช่ไหมสมมุติว่าขันห้าขันห้าคือสมมติไหมขันห้าเป็นสมมติหรือเป็นพิมุติไม่เหรอ ใจวชื่ออะไรไทยนี่สมมุติทั้งหลายย่อลงมาอยู่กลายกับใจถ้าใจเปหลงว่าขันห้าเป็นเราก็เรียกว่าสมสมุติไทยเข้าใจไหมรู้จักสมมติไทยไหมทีนี้ฮะสมมติไทยสมมติทั้งหลายเขาสมมติออกจากขันห้าย่อลงมาขันห้า แป0หมืนสี่พันสมมติออกจากขั้นห้าเมื่อย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจรูปทำนานทำใช่ไหมก็คือขั้นห้าถ้าใจมาหลงว่าขั้นห้าเป็นเราก็เรียกว่าใจคือไทยใช่ไหมพระไทยรายชสำขั้นห้าก็เรียกว่าสมมุติ สมุดทั้งหลายย่อลงมาอยู่ขันห้าถ้าใจมายึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นเราก็เรียกว่าสมุดไทยได้ไหมฮะได้ไหมแมมไม่รู้สมุดไทยเลยพวกเนียฮะสมุติทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจถ้ากายกับใจคือขันห้าใช่ไหม ยิดมาถือเอาสมุดมายึดมั่นถือมั่นหนึ่ะถือเอาใช่ไหมล่ะว่าขันหันเป็นเราใช่ไหมก็เรียกว่าสมุทรไทยเหตุเกิดเหตุทุกท่านนั้นเองเอ ง, ง่ายง่ายเลยสมุทรไทยนะตัว อ, อย่างสมมุดไหมสมมุตดทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจกายกับใจเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไหม ถ้าใจมาถือเอาว่ากายกับใจเป็นสัตว์คุคนตัวตนเราเขาก็เรียกว่าสมุดไทยใจไปหลงสมุดใจไปแบกเอาสมุดใช่ไหมเรียกว่าอุปทานยึดมั่นถือมั่นไปแล้วเบกไม่ถือเอาก็เรียกว่าสมุดไทยเฮเกินแห่งทุกเนี่ยขันหน้ามันเกิดมันดับเอี้ยนอยู่นี่มีเจ้าของไหมอ่ถ้าใจไปหลงว่าเป็นเราเป็นขององเราก็เรียกว่าสมุดไทย ใช่ไหมล่ะขันห้าคือสมมุติอ่ะมาหลงสมมุติก็เรียกว่าสมุดไทยเหตุเกิดแห่งทุกข์ทำให้เกิดโลคเกิดโกรธขึ้นมาการมาารวัฏันหาเพราวัันหายเพราวัจันหาขึ้นมาใช่ไหมล่ะเหตุเกิดแห่งทุกข์ถ้าผู้ใดมารู้ว่าคันห้าเป็นธรรมชาติเป็นชื่อของธรรมชาติคันห้ามีจริงไหมแต่บุคคลตัวตนมีจริงไหม ก็ละอุปทานขันห้าได้ก็เรียกว่านิโรธง่ายไม้มละ่ะฮะนิโรธคือดับทุกได้ปัญญามารู้้ทอาทานก็คือมักมีองค์แ น, นี่นี่แหละพระองค์จัดจะรู้ที่ทุก ค, คือขันห้าเกิดดับสมุทัยคือเตกเกิดแห่งทุกเพราะว่า ใจมายึดมั่นพื้นมั่นเอาขันห้าว่าเป็นตนเป็นของของตนใช่ไหมละ่ะใช่ไหมถ้าผููได้มีสติปัญญารู้เทเอร่างว่าขันห้าเป็นส ม, มุติสัตบุคคลตัวตนก็เป็นส ม, มุติขันห้าไม่มีสัตบุคคลตัวตนไม่มีก็ละส ม, มุดไทยได้ใช่ไหมละ่ะก็เรียกว่านีโลด ปัญญามาเอาละสมุทัยได้เกิดจากมัมมีองค์แปดหรือท่านเรียกว่าโลกุตละปัญญาปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่อ่าคือเห็นว่าขันหา้าก็ไม่ใส่สัจบุคคลตัวจนเราเขามันเกิดเองดับเองอยู่งั้นใช่ไหมบอกไม้ได้ไหมไม่ให้มันเกิดไม่ดับอ่ะ อ๋อนั่นแหละจัดจ่ายคือความจริงมันเกิดเองดับเองนี่นี่จะของไหมละ่ะมีคนไปยึดมั่นถือมั่นไหมฮะมีคนไปยึดมั่นถือมั่นไหมถ้าไม่มีก็ไม่ทุกถ้าไปยึดมั่นถือมั่นก็เกิดทุกไว้ยโย่บวชทานครั้งห้าคือทุกใช่ไหมละ่ะนะเมื่อดับปวชทานครั้งห้าได้จะทุกไหมละ่ะก็มีแค่นี้เองนะพระโสดาบัน อ, องนี้จึงเกิดพบสุดท้ายและอุปทานขันห้าได้ใช่ไหมขันห้ามีไหมละ่ะขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าสีอย่างนี่จาได้ไหมเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในขันห้า ก็เรียกว่าถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามิจฉาทิพย์ถ้าเห็นขั้นห้าไม่ใช่ตนไม่ใช่เราใช่ไหมเราไม่เป็นขั้นห้าขั้นห้าไม่มีในเราเรามีขั้นห้าก่อนละสักยะทิจีได้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ไม่มีใครได้ยินขั้นห้ารูปนามรูปธรรมงามธรรม ยิงอาศัยกันเกิดใช่ไหมเกิดแล้วดับไหมอ้าเนี่ยแหละสัจจะทำทุกข์นี่จิงได้เกิดจริงได้ดับสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์คืออริยสัจจริงนี่มันเกิดแล้วก็ดับเป็นสัจจะคือความจริงอยางนี้ถ้ามีคนงนั้นถ้าหลงว่าเป็นเราอยางนั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ว่า ไม่มีสัตว์บุคคลตัวจนเราเขาอยู่ในนั้นทุกไหมเออ น, นี่แหละวดักทุกได้ก็เรียกว่า น, นี้โลดเนี้เมื่อพระโสดาบันประเภทนี้จงไปฝึกฝึกอารมณ์นะอายตะนะภายนอกภายในกระทบกันเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นให้เราเห็นไหม ใช่เราเห็นรูปไหมรูปมีไหมเรามีไหมฮะผู้เห็นก็ไม่มีตาก็ไม่มีเป็นอนัตตาใช่ไหมอ่าแล้วก่อนด่วนอย่าด่วนว่าเราเห็นได้ยินอย่าด่วนว่าเราได้ยินทราบทางจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสผดทพะอย่าด่วนว่าเราทราบคิดอย่าด่วนว่าเราคิด เข้ยังไหมล่ะอายต น, นาภายนอกภายในกระทบกันหรือรูปภายนอกภายในทำไม่าชา่ภายนอกภายในกระทบกันก็ไปบวกวิญญาณไปบวกใจใจน้อมรับออกอารมณ์ก็เรียกว่าขันห้าเกิดเข้าใจไมดับไหมล่ะเกิดแล้วก็ดับถ้าเป็นอริยชนก็ ไม่ยึดมั่นคือมันเห็นมันเกิดแล้วก็ดับถ้าเป็นปุจจุชนก็หลงว่าเราเห็นใช่ไหมจึงไปยึดมั่นถือมันอุปทานขันหานั่นแหละคือทุกข์นี่มันก็มีแค่นี้เข้าใจบ้างไหมล่ะนะอเอาพัสสาดาบบันมีกี่ประเภท ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสัตตคตุปลมะประเภทที่สองเรียกว่าโอลังโอละประเภทที่สามแม่ดังกล้องเลยทีนี้เอกะพีสีดังได้แสดงมาให้เราทั้งหลายฟัง พ, พ่อเป็นแสดง ให้เราทั้งหลายฟังพอประดับสติปัญญาหรือนำเอาไปไปสะทิตที่จิตที่ใจของเราประเภทที่หนึ่งใครบรรลุแล้วอนุโมทนาดังๆโอ้บรรลุหมดเลยประเภทที่สองประเภทที่สามโอ้อนุโมทนาสาธุ ท่านก็จะมาเกิดพบสุดท้ายไม่มาเวียน่ายใจเกิดอีกไม่มาเย็ดมั่นถือมันว่าขั้นห้าเป็นเราเป็นของของเราอีกวิจิติฉาความโลเลสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขั้นห้าก็ดับไปใช่ไหมอ่าศีลปะปรามาตรการรักษาศีลก็รักษากายวายาใจเท่านี้เอง ไม่ไปง ม, มงาอยางอย่างนี้นี่แหละปัญญาก็ฆ่าวิจิตรฆ่าสักกายคิดถิ่ศรัทธาก็ฆ่าวิจิจิชาความโลเลสงสัยว่าสัตบุคคลอยู่ในนี่ใช่ไหล่ะสีระพัฒน์บาะมาตก็เอาอริยกันตัสินจำได้ไหมอริยกันตัสินอะ สิ่งในมักแกบบนะอ่ารำมบทสิก็อันเดียวกันม่คศีรพัฒนประมาติงลงลรรักษากายวายจใจทนี้เองเอาดังได้แสดงมาก็สมควรแจวเวลาเอวังก็มีด้วยสกลาการนี้